ตอนที่12โจเจี้นเยี่ยมมาหาถึงประตูบ้านอีกครั้งลูกไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ตอนนี้กลับรู้เนื้อหาในแบบเรียนประถมศึกษาแล้วหรือลีชิงผิงตกตะลึงเล็กน้อยอึ้มเดิมทีหนูแอบวิ่งไปเรียนที่โรงเรียนมานะจ๊ะหลี่หวานคนก่อนไม่เคยเข้าเรียนแต่เธอมักจะแอบวิ่งไปที่โรงเรียนในหมู่บ้านเพื่อขอร่วมฟังบทเรียนอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากนางเป็นเด็กที่หน้าตาน้าเอ็นดูและเรียบร้อยอาจารย์จึงมักจะทำเป็นหลับตาข้างหนึ่งเพื่อปล่อยให้นางได้เรียนรู้ หลี่ชิงถิงฟังสิ่งที่ลูกสาวพูดแล้วรู้สึกสะท้อนใจอย่างบอกไม่ถูกนางยื่นมือไปโอบกอดลูกสาวไว้ในอ้อมแขนดีแล้วในเมื่อเนื้อหาประถมเรียนรู้หมดแล้วพวกเราก็มาเริ่มเรียนเนื้อหามัธยมต้นกันเถอะหลี่วานโชคดีที่หลีชิงผิงไม่ได้ซักไซอะไรต่อในห้องพักผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเจียนเย่ยท่านช่วยไปรินน้าร้อนให้ฉันหน่อยได้ไหมน้ํานี่เริ่มเย็ยนแล้วโจเจียนเย่ ย, ยังคงนั่งเหม่อลอยอยู่ข้างเตียงโดยไม่พูดจา หลิวเคอเคอขมวดคิ้วแล้วพูดประโยคเดิมซ้ำอีกครั้งโจวเจี้ยนเย่ยถึงเพิ่งได้สติหืออะไรนะเจ้าบอกว่าร่างกายไม่สบายตรงไหนหรือเคอเคอเข้าว่าทางที่ดีควรแจ้งเรื่องที่เจ้าเข้าโรงพยาบาลให้ที่บ้านทราบเสียหน่อยจะดีกว่าจะได้ไม่ทําให้พ่อแม่ของเจ้าต้องเป็นห่วงพ่อแม่ของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีฉันไม่อยากให้พวกท่านต้องกังวลหลิวเคอเคอสายหน้าแล้วพูดเรื่องเดิมต่อฉันอยากดื่มน้ําน้ําในแก้วมันเย็นแล้ว อ, อออลิค่ะจะออกไปเอาน้ําร้อนมาให้ โจวเจี้ยนเ ย, ย่รีบลุกขึ้นหยิบแก้วน้ำออกไปเมื่อเขากลับมาสายตาของหลิวเคอเคอก็ยังคงจับจ้องอยู่ที่ตัวเขาเพื่อสังเกตท่าทีเจี้ยนเ ย, ย่ท่านกำลังคิดอะไรอยู่โจวเจี้ยนเย่ยอาปากตั้งใจจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่หลิวเคอเคอกลับพูดต่อว่าท่านหลอกฉันไม่ได้หลอกฉันดูออกว่าท่านมีเรื่องปิดบังอยู่ในใจเป็นพระหลีชิงผิงใช่ไหมหลิวเคอร์เคอแอบกดข่มความไม่พอใจในใจไว้แล้วสูดลมหายใจลึก เจียนเยี่ยหลีชิงผิงไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาที่ยาวนานหลายปีของพวกท่านเลยนางกล้าทําลายชื่อเสียงของท่านต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนั้นช่างทําเกินไปจริงๆสิ่งที่โจเจียนเย่ยคิดอยู่ในใจคือเรื่องของหลีชิงผิงและหลีหวานจริงๆแต่ในตอนนี้เขายังมีบางเรื่องที่คิดไม่ตกเขาไม่อยากได้ยินชื่อของหลีชิงผิงจากปากของคนอื่นเขาขมวดคิ้วมุ่นโดยไม่รู้ตัว เคอเครอรมาบอกว่าร่างกายของเจ้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทุกเมื่อหากเจ้าอยากพักอยู่ที่นี่ต่อก็ได้แต่หลังจากนี้ข้าคงไม่มีเวลามาเฝ้าเจ้าที่โรงพยาบาลแล้วข้าต้องกลับไปที่บ้านเกิดสักเที่ยวเขาต้องรู้ให้ได้ว่าในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ท่านจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือคะลิวเคอเคอถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นหากเขาจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นางก็อยากจะตามไปด้วยก็ประมาณนั้น กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันโจเจียนเ ย, ย่แสดงสีหน้าหงุดหงิดออกมาอย่างปิดไม่มิดข้าอยากรู้ว่าหลีชิงผิงเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงกล้าพูดเรื่องเหล่านั้นออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยนางไม่อยากใช้ชีวิตรวมกับท่านต่อไปแล้วเรื่องแย่ๆอะไรนางก็พูดออกมาได้ทั้งนั้นแหละค่ะจุดประสงค์หลักที่นางทําแบบนี้ก็เพื่อล้างบอลทินให้ตัวเองหลิวเคอเคอยื่นมือไปกุมมือของโจเจียนเย่ยไว้แล้วออกแรงบีบเบาๆเจียนเ ย, ย่หากท่านอยากกลับบ้านเกิดฉันจะไปเป็นเพื่อนท่านเองฉันไม่ได้เจอแม่ของท่านนางแล้วเหมือนกันคิดถึงท่าานนมกเลยฉั เครอรเคอครั้งนี้ข้าไม่สะดวกที่จะพาเจ้าไปได้วยข้ามีเรื่องในครอบครัวต้องจัดการขอโทษด้วยลิวเคอเคอยังพูดไม่ทันจบโจเจียนเย่ยก็เอ่ยปากปฏิเสธด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแข็งกร้าวยิ่งไปกว่านั้นเจ้าเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจมาและต้องลำบากมามากเจ้าควรพักผ่อนอยู่ในเมืองให้ดีสักสองสามวันอีกไม่นานข้าก็กลับมาแล้วเข้าใจไหมเรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวที่โจเจียนเย่ยพูดถึงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนางเลยหลิวเคอเคอซ่อนความโศกเศร้าวไว้บนใบหน้า อึ้ตกลงค่ะท่ า, ายอย่างนั้นฉันจะรอท่านกลับมาที่เมืองนะคะเรื่องที่โจเจียนเย่ยทรยศครอบครัวกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาวไปทั่วทังเขตทหารผู้นำในเขตทหารเห็นแก่ที่เขาเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจมาได้อย่างราบรื่นจึงไม่ได้ให้รางวัลหรือลงโทษรุนแรงแต่เขายังคงต้องเขียนรายงานสํานึกผิดและต้องเป็นการสํานึกผิดอย่างลึกซึ้งการที่จัดการเรื่องในครอบครัวไม่ดีจนลุกลามมาถึงเขตทหารเช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่ดูไม่ได้เอาเสียเลยลิวเคอร์เคอ ร, รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนางวอยวายจะไปขอความเป็นธรรมจากผู้นำของพวกเขา แต่โจเจี้ยนเ ย, ย่ห้ามนางไว้การที่เขตทหารจัดการเช่นนี้ย่อมต้องมีการพิจารณาที่เหมาะสมแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยใดๆยิ่งไปกว่านั้นเดิมทีก็เป็นเพราะเขาจัดการเรื่องในครอบครัวไม่ดีเองเรื่องถึงได้บานปลายมาถึงขนาดนี้เพียงตะก่อนจะกลับไปโจเจี้ยนเยี่ยยังตั้งใจจะไปพบหลี่ชิงถิงอีกสักครั้งหลังจากความไม่พอใจในครั้งก่อนเมื่อทั้งสองได้พบกันอีกครั้งบรรยากาศดูเหมือนจะสงบลงกว่าเดิมมาก หลี่หวันเพียงแต่มองเขาแต่ไม่ได้เรียกเขาว่าพ่อในฐานะพ่อเขาทําหน้าที่ได้ไม่เอาไหนเลยจริงๆโจจีงง้นเยี่ขมวดคิ้วเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าสายตาที่ลูกสาวมองเขานั้นดูผิดปกติอะไรกันไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันก็จําพ่อไม่ได้แล้วหรือท่านมาทําไมน้ําเสียงของหลี่หวันเต็มไปด้วยความระแวดระวังการที่ชายคนนี้มาหาถึงประตูบ้านมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นพวกหวังดีประสงค์ร้ายเสียวหวาน ลี่ชิงผิงก้าวไปข้างหน้าแล้วดึงลูกสาวมาไว้ข้างหลังนางไม่มีเจตนาจะให้โจวเจี้ยนเย่ก้าวเท้าข้าบ้านเลยแม้แต่น้อยท่านมีทุระอะไรกับฉันเข้าไปคุยข้างในโจวเจี้ยนเยกเท้าตั้งใจจะเดินเข้าไปแต่ลี่ชิงผิงยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่จําเป็นมีอะไรก็พูดตรงนี้แหละเหมือนกันนั่นแหละมีอะไรก็รีพูดพูดจบก็รีบใส่หัวไปนาไม่อยากมีความเกี่ยวข้องใดๆกับผู้ชายคนนี้อีก เรื่องอับปยในครอบครัวไม่ควรแรพร่งแครยออกไปเจ้าไม่เข้าใจหลักการนี้หรือหรือว่าเจ้ายังคิดว่าเรื่องที่ก่อไว้คราวก่อนมันยังน่าอับอายไม่พอเพราะเรื่องนี้ข้าต้องถูกสั่งให้เขียนรายงานสํานึกผิดแม้แต่เรื่องที่ข้าควรจะได้เลื่อนตําแหน่งในครั้งนี้ก็เงียบหายไปแล้วโจเจียเ้ยนเยี่ยพิจารณาดูแล้วเห็นว่าสมองของผู้หญิงอย่างหลีชิงผิงช่างเหมือนกับคนตมพูดดีด้วยก็ไม่เข้าใจสื่อสารกันลําบากเหลือเกินสมแล้วที่เป็นคนมาจากชนบทช่างไร้หูไร้ตาเสียจริงในบางเรื่องนางเทียบเคอเคอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดเียว สรุปคือท่านจะโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่ฉันงั้นสินะลีชิงผิงรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีคําพูดดีๆให้หรอกนางจึงไม่ยอมให้เขาเข้าประตูบ้านเด็ดขาดพวกเราแต่งงานกันมาหลายปีท่านกลับบ้านกี่ครั้งกันเชียวก่อนที่ลูกจะจำความได้ลูกยังไม่รู้เลยว่ามีพ่ออย่างท่านอยู่ด้วยซ้ำครั้งนี้แม่กับน้องสาวของท่านทาเกินไปมากถึงขั้นจะเอาชีวิตพวกเราแม่ลูก โจเจียนเ ย, ย่ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นความต้องการของท่านด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้พวกเราแยากกันแล้วท่านมีความแค้นต่อฉันฉันเองก็มีความกับแค้นใจต่อท่านเช่นกันฉันไม่อยากพัวพันกับท่านอีกและไม่มีอะไรจะคุยกับท่านทั้งนั้นลิชิงผิงผลักไหล่ของโจเจียนเย่ยทำท่าจะปิดประตูแต่ชายหนุ่มกลับตาไวคว้าขอบประตูไว้ได้ทันประตูกระแทกเข้ากับแขนอย่างแรงโจเจียนเ ย, ย่รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันทีเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน ถ้าแค่จะเตือนเจ้าว่าบางเรื่องอย่าทำให้มันเกินไปนักมิฉะนั้นจุดจบของข้าในตอนนี้ก็คือจุดจบของเจ้าในอนาคตหรือบางทีจุดจบของเจ้าอาจจะอนาดกว่าข้าเป็นสิบเท่าร้อยเท่าใสหัวไปลีชิงทิงพันรู้สึกว่าหลังจากแกขาดกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ดีงามเหมือนที่นางเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้เลยก็แค่คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแม้แต่จะดึงผู้ชายสักคนมาจากท้องถนนเขาก็คงจะดีต่อภรรยาหรือไม่ก็ดีต่อลูกบ้างคงไม่มีทางเห็นแก่ตัวเหมือนอย่างโจเจี้ยนเย่เช่นนี้แน่ เจ้าจะอารวาดอะไรดูท่าทางเหมือนหญิงปากร้ายของเจ้าสิข่ายังพูดไม่จบเจ้าก็เลยฆ่าออกมาแล้วหรือว่าเจ้ากลัวที่จะเห็นข่าพระเจ้ามีชนักติดหลังอยู่กันแน่โจเจี้ยนเ ย, ย่ใช้มือผลักกลับไปอย่างแรงหลีชิงผิงเสียหลักสะทลาจนล้มลงกับพื้นทันทีการล้มลงของนางในครั้งนี้ทําให้โจเจี้ยนเ ย, ย่ตกใจอยู่ไม่น้อยเขาไม่คิดว่าแรงของตัวเองจะมาหาศาลขนาดนั้นเขามั่นใจว่าตนเองเพียงแค่ผลักเบาๆเท่านั้นจากนั้นเขาก็รีบพลิกขึ้นมาได้ทันทีว่าหลีชิงผิงจงใจแกล้งทํา